วิธีถอนและกรรมวาจา่าถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรภิกษุทั้งหลายพึงถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบแล้วด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าข้อหน่้าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแห่งใดที่สงสมมติไว้แล้ว ถ้าสงพร้อมก็แล้วสงพึงถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแห่งใดที่สงสมมติไว้แล้วสงถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแห่งนั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแห่งนั้นสงถอนแล้ว ทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้